ตอนที่118การแนะนำตัวที่ทำตัวเกินไปความฉลาดของเสียวหวานต้องได้มาจากคุณแน่นอนหากคุณสงบใจตั้งใจเรียนได้ละก็ผมเชื่อว่าคุณเองก็สอบติดได้เหมือนกันเจ้งางวินฉงมองนางด้วยสายตาอ่อนโยนพางเอ๋ยว่าเป็นอย่างไรอยากลองดูไหมเรื่องลูกคุณไม่ต้องกังวลพวกเราหาคนมาช่วยดูแลได้ช่างเถอะคฉันไม่ได้มีสมองเหมือนลูกสาวหรอก ฉันต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นแม้แต่ตัวสกดพิงอินยังจำได้ไม่ครบเลยกว่าฉันจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ลูกชายเราคงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพอดีลี่ชิงพิงสายหน้านางขอยอมแพ้ดีกว่าแค่ลูกสาวช่วยทำความฝันของนางให้เป็นจริงก็นับว่าดีมากแล้วเอาเถอะพวกเราก็ควรกลับกันได้แล้วจะมาอยู่เฝ้าที่นี่ต่อลูกเรียนหนังสือตลอดไม่ได้หรอกนะเจิ้งอวินฉงตบหลังนางเบาๆเพื่อเตือนสติโรงเรียนนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านเรานักหรอกวันหน้าไม่ว่าคุณจะคิดถึงลูกหรือลูกอยากกลับบ้านก็มาได้ตลอดเวลา อึมอมพวกเรากลับกันเถอคะค่ะลีชิงถิงมองเสียหวานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังเดินจากไปจากนั้นจึงตามเจิ้งอวิ๋นโฉงกลับบ้านตระกูลหยวนหยวนเศร้าเหิงไม่ได้กลับไปที่บ้านตระกูลเจิ้งเลยจนกระทั่งถึงวันเปิดเรียนหยวนเฟยเคยเสนอว่าหากเขาอยากกลับไปเมื่อไหร่ก็กลับได้ทุกเมื่อไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรทว่าหยวนเศร้าเหิงปฏิเสธโดยตรงช่วงนี้การเรียนค่อนข้างยุ่งผมคงไม่กลับไปแล้วครับ แวตาของหยวนเศร้าเหิงหมดลงเล็กน้อยวันหน้าคงจะมีโอกาสเศร้าเหิงหักในใจลูกมีความคิดอะไรต้องรีบบอกพ่อทันทีนะพ่อจะได้รู้ว่าลูกกาลังคิดอะไรอยู่ตกลงไหมผมไม่ได้คิดอะไรครับน้ำเสียงของหยวนเศร้าเหิงเย็นชาหลังจากเปิดเรียนผมจะพักที่หอพักในโรงเรียนหากไม่มีธุระอะไรก็คงไม่กลับมาครับแม่ของลูกซื้อบ้านไว้แถวข้างโรงเรียนชุดหนึ่งเพราะเธอเป็นห่วงว่าลูกจะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับที่โรงเรียนอีกอย่างเธอก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่หอพักเลย ยวนเฟยเอ๋ออย่างเชิงให้แม่ของลูกได้ดูแลลูกหน่อยเถินะหืมถ้าเธอมาดูแลผมแล้วน้องสาวจะทำอย่างไรครับหยวนเศร้าเฮงย้อนถามพวกคุณพลาดช่วงเวลาการเติบโตของผมไปแล้วหรือว่ายังจะพลาดช่วงเวลาของน้องสาวอีกตั้งแต่ผมกลับมาที่บ้านหลังนี้ดูเหมือนพวกคุณจะละเลยความรู้สึกของเธอไปจนตอนนี้เธอเริ่มมีอคติกับผมที่เป็นที่ชายแล้วนะครับ ย้นเฟยถึงกับพูดไม่ออกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คู่ไหนหากลูกชายที่พลัดพร่าไปถูกตามหาจนพบด้วยความยากลําบากย่อมต้องอยากดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุดจนเผลอละเลยลูกสาวไปโดยธรรมชาติเพราะคิดว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ได้พูดอะไรออกมาก็คงไม่คิดมากไม่นึกเลยว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์พี่น้องของพวกเขาพ่อเข้าใจแล้วย้นเฟยพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมถ้าอย่างนั้นก็เอาตามความต้องการของลูกเถอะแต่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้องกลับบ้านนะจะอยู่หอพักยาวเป็นเดือนไม่ได้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ของลูกและพวกเราบ้าง หยวนเศร้าเฮิงตอบรับส่งส่งครับทราบแล้วจริงได้มีเรื่องหนึ่งที่พ่อยังไม่มีโอกาสบอกลูกแต่เรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วละ่ะหยวนเฟยเอ๋ยพลางหยุดชะงักไปครู่หนึ่งหลหวันน้องสาวจากบ้านอสองของลูกเมื่อช่วงก่อนถูกลักพาตัวไปฝ่ายตรงข้ามเป็นเท่าแก่ร้านสมุนไพรแซ่ซุนพ่อรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกลูกสองคนค่อนข้างดีพ่อก็เลยส่งคนไปสั่งสอนไอ้คนแซ่ซุนนั่นเป็นการส่วนตัวมาแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหยวนเศร้าเหิงก็เปลี่ยนไปทันทีตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างครับ ไม่เป็นไรหยวนเฟย์โบกมือตอนที่พ่อรู้เรื่องนี้อสองของลูกก็จัดการเรียบร้อยนานแล้วอีกอย่างอาสองของลูกเป็นใครไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาห่วงหรอกหยวนเศร้าเหฮงถึงได้เบาใจลงบ้างไม่เป็นไรก็ดีแล้วคราวก่อนก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่นึกเลยว่าคราวนี้อีกฝ่ายจะลงมือจนสําเร็จได้ขอบคุณครับพ่อ ย้นเฟยถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นไม่ผิดหย้นเศร้าเหิงถึงขัานเอ่ยขอบคุณเขาแสดงว่าลึกๆแล้วเขายมีความผูกพันกับคนตระกูลเจิ้นอยู่มากเพียงแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกันใดเขาถึงยังไม่ยอมกลับไปในตอนนี้เธอคือน้องสาวของลูกๆ ก, ก็คือลูกชายของพ่อพ่อยอมต้องปกป้องคนค น, นี้อยู่แล้วอีกอย่างมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยที่ช่วยจัดการให้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหย้นเฟยพูดจบก็เปลี่ยนประเด็นเศร้าเหิงพ่อรู้ว่าลูกเป็นเด็กฉลาดสถานการณ์ในบ้าน ตระกูลหยวนภายนอกดูสงบเงียบแต่ความจริงภายในกลับแข่งแย่งชิงดีกันอย่างดูเดือดลูกต้องระวังอาศีของลูกให้ดีในบ้านหลังนี้นอกจากพ่อแม่และน้องสาวของลูกแล้วคนอื่นไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกด้วยความจริงใจหรอกลูกต้องจำคำพูดของพ่อไว้ให้มั่นหวันหน้าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรต้องพิจารณาให้รอบคอบแน่นอนว่าหยวนเศร้าเหิงมองเห็นคลื่นใต้น้ําในบ้านหลังนี้เขาพยักหน้าอย่างใช้ความคิดทราบครับลูกชายที่ดีของพ่อ ย้นเฟยยกมือขึ้นตบไหล่เขาเด็กคนนี้สุขุมรอบครอบการที่เติบโตมาเป็นเช่นนี้ได้นับว่าเหนือความคาดหมายของพวกเขาสองสามีภรรยาจริงๆคนแบบนี้เท่านั้นถึงจะสามารถรับช่วงต่อตระกูลหยวนในอนาคตได้พ่อกับแม่ไม่ได้อยากมีลูกอีกคนเพื่อมาแทนที่ลูกถึงได้ให้กําเนิดน้องสาวของลูกออกมาสําหรับพ่อแม่และลูกทุกคนไม่มีใครสามารถแทนที่กันได้ย้นเฟยเสริมอีกประโยค ก, ก่อนจะเดินออกจากห้องไปพร้อมกับความคาดหวังในอนาคตของลูกชาย แน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีความสุขไม่ต่างจากตอนที่อยู่กับตระกูลเจิง้งที่ลูกอยากเรียนคณะการเงินก็เป็นการตัดสินใจกับทันหันใช่ไหมก่อนหน้านี้อยากเรียนอะไรล่ะวิศวกรรมการบินและอวกาศครับหยวนเศร้าเหิงเอ่ยเสียงเรียบผมชอบอะไรที่ท้าทายความจริงแล้วผมไม่ได้ชอบทําธุรกิจเท่าไหร่รู้สึกว่าการคบหากับพวกนักธุรกิจมันเหนื่อยเกินไปพูดไปแล้วก็เป็นพวกเราที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกของลูกผมก็แค่พิจารณาตามอนาคตครับ หยวนเศร้าเหิงไม่ได้พิจารณาเพื่อพวกเขาหลักฐานของตระกูลหยวนในตอนนี้มั่นคงมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงฐานะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอนาคตย่อมมีแต่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปสิ่งที่เขาต้องทําคือการนําพาตระกูลหยวนให้ก้าวหน้าต่อไปในฐานะผู้สืบทอดส่วนเรื่องความชอบส่วนตัวตอนนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วหากเขายังดึงดันจะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบเกรงว่าจะไม่สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในตระกูลหยวนสิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้คือรีบครอบครองความสามารถของตอนเองไว้ให้เร็วที่สุดโชคชะตาต้องอยู่ในกำมือของเขาเอง ย้นเฟยดูเหมือนจะเป็นผู้สืบทอดของบ้านแต่ความจริงแล้วในตอนนั้นเขาก็ยังต้องจำใจทิ้งลูกชายไปเพราะความจำเป็นไม่ใช่หรือหลี่หวานถูกศาสตราจารย์เรียกชื่อตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียนนางจึงแนะนำตัวกับเพื่อนร่วมชั้นก่อนเป็นคนแรกสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อหลี่หวานค่ะศาสตราจารย์สายหน้าไม่ได้ในการแนะนำตัวของเธอนี่มันถมตัวเกินไปหน่อยนะถ้าเป็นอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะแนะนำตัวกับทุกคนว่าเป็นช่วงย้นการสอบเกอข่าวปีนี้หลี่หว่าน ลิวานยกยิ้มมุมปากคะแนนสอบก็ข่าวเพียงครั้งเดียวไม่ได้พิสูจน์อะไรได้ทั้งหมดข้าฉันเชื่อว่าเพื่อนเอนในที่นี้หลายคนอาจจะทำคะแนนได้ดีเกินคาดหรือบางคนอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ศาสตร์การแพทย์นั้นไรขีดจำกัดสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คะแนนสอบค่ะคำพูดนี้ฉันไม่ล่วงเกินใครจริงๆคือเออาจารย์ก็นึกว่าเธอจะเป็นแค่พวกหนอนหนังสือที่เอาแต่เรียนเสียอีกไม่นึกเลยว่าจะฉลาดหลักแหลมขนาดนี้ศาสตราจารย์หัวเราะยิ่งมองลูกศิษย์คนนี้ก็ยิ่งรู้สึกถูกชะตา เซวันถ้าอย่างนั้นเธอลองบอกทุกคนหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกเรียนการแพทย์แผนจีนทั้งที่คะแนนระดับเธอมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศก็เลือกได้ตามใจชอบขณะดังๆก็เลือกได้ตามสบายเลยแท้ๆ